รองเท้าแตะแห่งดวงดาวก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชินีที่ชั่วร้ายและน่ารังเกียจคนหนึ่งนามว่ามาร์เกเรตเธอใจร้ายและปฏิบัติตัวต่อราชวงศ์อย่างน่ารังเกียจซุปชามนี้น่ะมันเย็นชืดไปหมดแล้วนะทหารนำตัวเขาเข้าไปขังคุกใต้ดินซะเ แต่ว่าฝาบาทมันเพิ่งทำเสร็จเมื่อนาทีที่แล้วเองนะขอรับพ่อครัวที่น่าสงสารถูกล่าออกไปจากห้องทานอาหารโดยไม่มีความผิดที่ปรึกษาที่ซื่อสัตย์ต่อเธอมีเพียงออกเทวยสเขาก็ชั่วร้ายและเลวทรามเช่นเดียวกับราชินีของเขาผู้คนภายใต้การปกครองของเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรในวิธีที่เธอทำต่อพวกเขาพวกเขาแค่ใช้ชีวิตไปวันวันกินข้าวและทางานของตัวเองเช้า ว, วันหนึ่ง ขณะที่เด็กหญิงทั้งสองเดินไปยังลาน้ําพุพวกเธอเห็นรองเท้าแตะที่งดงามคู่หนึ่งวางอยู่ใจกลางเมืองมันเต็มไปด้วยดวงดาวที่ซองประกายงดงามเรากับเป็นรองเท้าแตะที่เคยใครต่างต้องสะดุดตาโอ้พระเจ้ารองเท้าแตะคู่นี้ช่างงดงามยิ่งนักมันเยี่ยมมากๆเลยเจ้าสามารถมองเห็นกลุ่มดาวมากมายและกาแล็กซี่หมุนอยู่รอบๆดาวพวกนั้นอืมสงสัยจังว่ารองเท้านี้มาจากไหนนะ่ะ มันต้องเป็นของขวัญจากนางฟ้าแห่งดวงดาวแน่เลยเด็กสาวทั้งสองไปเล่าเรื่องรองเท้าแห่งดวงดาวให้แก่เพื่อนๆของเธอฟังไม่นานเรื่องก็แพร่กระจายไปทั่วราชาอาณาจักรเมื่อออกเทวียสได้ยินเรื่องรองเท้าแตะวิเศษเขาจึงมีความคิดขึ้นข้าจะนาเรื่องรองเท้าไปบอกแกราชินีมาเกเรตนางต้องตอบแทนค่าอย่างงามแน่เขาจึงเข้าเฝ้าราชินีและบอกเรื่องราวของรองเท้าแตะ อีกทั้งยังบอกว่ามันงดงามเพียงไหนเมื่อได้ยินเช่นนั้นราชินีมารการ็ตก็ร่าเริงเป็นอย่างมากเธอต้องการครอบครองรองเท้านั้นไปเอารองเทา้าแต่นั่นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ออกเทวิสข้าเกรงว่าข้าคงทำไม่ได้ฝ่าบาทเจ้ากล้าพูดคำว่าทำไม่ได้กับข้าอย่างนั้นเหรอเจ้ากล้าปฏิเสธราชินีของเจ้าใช่หรือไม่ทหารเอามันไปขังคคกใต้ดินทหารจับกุมออกเทวิส เพื่อ น, นำเขาไปยังคุกใต้ดินเล็กๆที่สกระปกเขาเรีบตะโกนขึ้นมาว่าไม่ไม่นะาฟาบาดรองเท้าแต่คู่นั้นแต่ต้องไม่ได้เดี๋ยวก่อนว่ากันว่ามีเพียงผู้ที่คู่ควรกับรองเท้าเท่านั้นจึงจะได้รับรองเทา้าและเมื่อมันถูกส่งมอบไปให้คนอื่นคนคนนั้นก็จะคู่ควรกับรองเท้าแต่วิเศษเช่นกันนีมากเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีใครคู่ควรมากกว่าราชินีของเจ้า จะไปเอารองเท้าแตะนั่นมาเดี๋ ynn ี้และก็เอาเขาไปขังที่คุกใต้ดินซะราชินีเรียกรถม้าของเธอและออกเดินทางไปยังใจกลางเมืองขอบวนพาเรตและคนขับรถมา้าต่างโบกธงเพื่อประกาศว่าราชินีกําลังเสด็จมาที่ใจกลางเมืองผู้คนทั้งเมืองต่างออกมาร อ, รอบใจกลางเมืองเพื่อมาดูว่าจะเป็นยังไงกับรองเท้าแตะแห่งดวงดาวเมื่อราชินีมาถึง เมื่อรถม้ามาถึงใจกลางเมืองผู้คุ้มกันในราชวงศ์ก็ปูพรมแดงออกมาพร้อมกับยืนอยู่สองข้างฝั่งหัวหน้าผู้คุ้มกันก้าวออกไปข้างหน้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแห่งซามานีข้าขอให้พวกท่านได้ให้การต้อนรับฟาบาดของเราราชินีมาร์กาเร็ตเมื่อประตูเปิดออกราชินีมาร์กาเร็ตได้ก้าวเท้าลงมาพร้อมกับโบกมือให้ประชาชนแต่สายตาของพวกเขาต่างจับจ้องไปที่รองเท้าแต่ เขาไม่รู้หรอกว่าข้าอยู่ตรงนี้น่ะในขณะที่ราชินีกําลังหัวเสียที่ผู้คนไม่ให้ความสนใจกับการมาของเธอเธอสะดุดตาเข้ากับรองเท้าแตะแห่งดวงดาวที่อยู่ในใจกลางเมืองว้าวนั่นช่างเป็นรองเท้าแตะที่งดงามเกินกว่าที่ข้าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนในชีวิตเลยนะเนี่ยราชินีลุ่มหลงในรองเท้าแตะมากและเดินเข้าไปหามันอย่างรวดเร็วจนแทบจะวิ่งเข้าไปหามัน ขอบคุณพวกเจ้าทุกคนที่มาเป็นสักขีพยานในตอนที่ข้าสวมรองเท้าคู่นี้ข้ารู้เมื่อเท้าของข้าสัมผัสกับมันข้าก็จะกลายเป็นผู้ปกครองที่น่าอิจฉาที่สุดในอาณาจักรทั้งหมดที่ทุกคนต่างรู้จักเลยละดังนั้นราชินีจึงเดินไปยังที่รองเท้าแตะถอดรองเท้าทองคำออกและยกเท้าเพื่อสวมใส่รองเท้าแตะดวงดาวคู่บารมีในขณะที่เธอกาลังจะสวมใส่มัน รองเท้าแต่งดวงดาวได้ขยับหนีทำให้ราชินีที่ชั่วร้ายเสียสมดุลและล้มลงไปในที่สุดพวกคนต่างหัวเราะออกมาเบาๆบางก็พยายามที่จะกล้นขำพวกเจ้าหัวเราะอะไรกันอะราชินีลุกขึ้นและพยายามจะลองสมอีกครั้งพวกเจ้าก็เห็นว่าข้าเหนื่อยล้าจากการเดินทางมากนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ข้าสวมรองเท้านี้ไม่ได้ ราชินีพยายามลองสวมรองเท้าแตะอีกครั้งแต่รองเท้าแตะก็ขยับหนีอีกเช่นเคยฝ<อ>ูงชนยืนดูอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นว่าราชินีของพวกเขาไม่สามารถสวมรองเท้าแตะได้พวกเขาก็เริ่บกระซิบกระซาบกั น, กนดูเหมือนว่าราชินีของเราจะไม่คู่ควรกับมันนะข้าก็ว่างั้นแหละมีเพียงคนที่มีจิตวิญญาณที่สว่างสวายราวกับแสงอาทิตย์และมีเมตตาเท่ากับแสงจันทร์เท่านั้นจึงจะคู่ควรกับรองเท้าแตะจากละอองดาวอันนี้ ราชินีโกรธมากเมื่อไม่สามารถสวมรองเท้าแตะได้นางจึงเดินทางกลับพระราชวังเธอนั่งลงที่บันลังอย่างกังวลและโมโหหนึ่งในที่ปรึกษาของเขาได้เข้าพบเธอและบอกว่าออกเทวิสเป็นคนที่รู้วิธีที่จะครอบครองรองเท้านั้นนำตัวเขาเข้ามาพบข้าเดี๋ยวนี้ข้าอยากรู้ว่าเขาจะพูดสิ่งใดออกเทวิสถูกนำออกจากคุกใต้ดินเพื่อมาพบตัวราชินี บอกข้ามาออกเทวิสว่าต้องทำยังไงถึงจะครอบครองรองเท้าแตะที่งดงามของดวงดาวนั้นได้มีเจ้าหญิงอยู่คนหนึ่งในอาณาจักรโนโคเวีย no ว่ากันว่านางเป็นผู้หญิงที่งดงามและร่ารวยที่สุดแน่นอนว่านางต้องคู่ควรกับรองเท้าแตะคู่นี้เจ้าหมายความว่าจะให้คนอื่นเอารองเท้าแตะของข้าไปอย่างนั้นนะหรอพูดมาสิโอโอโอไม่ใช่เช่นนั้นฟาบาท เราจะขอให้นางมอบมันให้กับท่านเมื่อนางสวมมันได้แล้วจากนั้นท่านก็จะกลายเป็นคนที่งดงามที่สุดในดินแดนทั้งหมดข้าโคตรใจแล้วถ้าอย่างนั้นรีบส่งสารไปยังปราสาทของนางและบอกเจ้าหญิงว่าข้าจะรอวันที่นางจะเดินทางมาถึงวันต่อมาเจ้าหญิงแห่งโคนเวียได้เดินทางมาถึงและไปยังใจกลางเมืองซึ่งรองเท้าตั้งอยู่เธอพยายามสวมรองเท้าแต่ แต่ก็ปล่าประโยชน์รองเท้าวิเศษลีกนี้เท้าของเธอเช่นกันไร้ประโยชน์สิ้นดีเจ้ามันไม่ได้เรื่องรองเท้านั่นยังไม่เด็เป็นของข้าหรอกนะให้อภัยข้าด้วยฟาบาร์ข้าจะหาทางหามาให้ได้ออกเทวิส <av> คิดอยู่พักหนึ่งและจากนั้นจึงตัดสินใจเข้าไปหาฤาษีหญิงในป่าเข้าไปหาฤาษีหญิงและฤาษีหญิงได้บอกเขาเกี่ยวกับเด็กสาวเลี้ยงแกะที่ชื่อว่าอลิซ ว่ากันว่าอาลิซเป็นเด็กสาวที่ใจดีที่สุดในอาณาจากักรนางมีจิตวิญ ญ, ญาณที่สว่างสวยัยราวกับดวงอาทิตย์และมีเมตตาราวกับแสงของจันเลยละนั่นแหละนั่นคือคนที่ข้ากำลังตามหาออกเทวิสขอบคุณฤาษีหญิงและตามหายิงสาวเลี้ยงแก่ในที่สุดเขาก็ได้พบเธอเขาเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟัง อลิสตกลงที่จะช่วยเหลือราชินีพวกเขารีบไปยังใจกลางเมืองด้วยกันเมื่อเห็นรองเท้าแตะอลิสเกิดความระแวงอย่างมากโอ้เออข้าไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมดูเหมือนว่ามันจะใหญ่เกินไปสำหรับข้านะทุกคนต่าออกมายืนรอดูอลิสสวมรองเท้าแตะลึกลับในขณะที่เธอยกเท้าของเธอขึ้น รองเท้าแตะแห่งดวงดาวได้เคลื่อนเข้ามาใกล้เท้าของเธอและหดลงจนพอดีเท้าของเธอคนเลี้ยงแกะคู่ควรเมื่ออลิซ ส, สวมรองเท้าแตะเธอถูกล้อมรอบไปด้วยประกายวิเศษแห่งละองของดวงดาววิเศษมากมหัศจรรย์สุดๆไปเลยเอาละ่ะตอนนี้เจ้าก็มอบรองเท้าให้กับข้าเร็วเข้าอาลิซพยักหน้าและมอบรองเท้าให้แด่พระราชนี เมื่ราชินีมากเรเ็ดสวมมันประกายวิเศษแห่งดวงดาวได้ล้อมรอบไปที่เธอและคนเลี้ยงแกะตอนนี้ราชินีได้สวมใส่ชุดของคนเลี้ยงแกะและอลิซพบว่าตัวเองสวมใส่ชุดของราชิ น, นีนี่มันอะไรกันเนี่ยข้าขอสั่งให้เจ้าทำให้เป็นเหมือนดเดิมนี้เจ้าไม่ใช่ราชินีอีกต่อไปแล้วทหารนาตัวหญิงสาวคนนี้ไปขังในคุกใตดินเดี๋ยวนี้น้อยไอคนทรยศ เจ้ากล้าส่งข้าไปยังคุกกั้นเหรอไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นะ เ, ออเจ้าไม่เจ้าจะต้องชดใช้นะออเคเวสเดี๋ยวก่อนสิไม่เห็นจะเป็นต้องทำแบบนี้เลยนะค้าแน่ใจว่าต้องมีทางออกสาหรับเรื่องนี้ข้าไม่ได้อยากเป็นราชนีทุกคนต่างตกตะลึงพวกเขาไม่คิดเลยว่าอาลิซจะมีเมตตาและเสียสละถึงเพียงนี้หรือสีหญิงที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้พูดขึ้นมาว่า รองเท้าแต่แห่งดวงดาวได้ผูกมัดกับอลิส้คู่ควรแล้วแม้ว่าเธอจะไม่ได้สวมันมันก็จะรับคำสั่งจากเธอเท่านั้นในการที่จะย้อนกลับคาถาคืนตำแหน่งแกราชินีเจ้าจะต้องอาภัยให้แกราชินีมาเกเรตสำหรับการกระทาและพฤติกรรมที่เลวร้ายของนางที่ปฏิบัติต่อประชาชนของเธอก่อนอลิส เป็นเด็กสาวที่มีเมตตา mm hmm. เธอจึงให้อภัยแก่ราชินีโอเอข้าเป็นใครถึงมีสิทธิ์ที่ต้องให้อภัยแก่ราชินีแต่ว่าถ้ามันจะช่วยใครกระถาได้แล้วก็ข้าน่ะก็จะให้อภัยราชินีด้วยหัวใจของข้าทั้งหมดทันทีที่เธอพูดเช่นนั้นทั้งสองก็ถูกล้อมรอบไปด้วยละอองดาววิเศษอีกครั้งราชินีมากเรเ ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในชุดของราชินีอีกครั้งรองเท้าแห่งดวงดาวได้กลับมาที่อลิซโอ้ขอบคุณเจ้ามากนะเจ้าทั้งมีเมตตาข้าเนรู้ซึ้งแล้วว่าทั้งหมดที่ข้าทํานี่ยมันผิดมากข้านเะรู้แล้วล่ะว่าข้าน่ะต้องสุภาพและมีเมตตายิ่งขึ้นตอนนี้ข้าไม่ต้องการรองเท้าแต่อีกต่อไปแล้วข้ามุ่งมั่นจะเป็นราชินีที่คู่ควรกับราษฎรของข้าทุกคนต่างมีความสุขที่ได้ยินเช่นนั้น ราชินีมาร์เกเรตทรงพระเจริญราชินีมาร์เกเรตทรงพระเจริญราชินีมาร์เกเรตทรงพระเจริญราชินีมาร์เกเรตรู้สึกปลาบปลื้มกับผู้คนของเธอมากเธอมอบรองเท้าอาหารและจัดงานเลี้ยงให้แก่ทุกคนในราชอาณาจักรซามานียของเธอและทั่วทั้งราชอาณาจักรก็มีความสุขตลอดมาในขณะที่อลิส ก็ได้คืนรองเท้าแต่แห่งดวงดาวไว้ในใจกลางเมืองตรงที่มันเคยอยู่เช่นเดิมที่นั่นเปล่งประกายระยิประยับเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าการมีเมฆ